วันนี้เราก็มาว่าบทเรียนพุทธประวัติกันต่อไปในครั้งที่แล้วนั้นเราได้ผููกันมาถึงตอนที่พระมหากัสปะเถระกับพระพิสุพสุสงฆ์ห้าร้อยรูปซึ่งเป็นบริวารได้กระทาประทักษิณพระบรมศพ ที่เชิงตะกอนณที่มะกุฏพันธนาเจดีสิ้นสามรอบแล้วได้ถวายบังคมพระบรมมยุคนละบดัดของพระผู้มีภาคเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าเตโชธาตุคือเพลิงพิพเกิดขึ้นเองด้วยเทวาลิธานุภาพโดยที่ไม่ได้มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งจุดขึ้นเลยลุกโชช่วงเผา พระสลีละขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าในส่วนแห่งพระสลีละขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทุกส่วนได้ถูกเพลิงทิพนั้นเผาไหม้ไปหมดยังเหลืออยู่เพียงห้าประการเท่านั้น ส่วนพระส่วนที่เหลือจากพระสลีละห้าประการนั้นก็คือหนึ่งพระอธิได้แก่พระกันดุสองพระเกษาก็คือผมสามพระโลมาคือขนสพระนาขาคือเล็บและห้าพระธันตาคือฝันพร้อมทั้งผ้าคู่สำหรับห่อพระสลีละอีกคู่หนึ่งซึ่งเพลิงทิศนั้นมิได้ไหมไปนอกนั้น ไม่ไปเป็นไม่ไปหมดโดยที่ไม่มีส่วนเหลืออะไรเลยเหลือแต่เพียงห้าประการและผ้าคลุมนิทา น, นั้นที่ไฟไมิดิไม่หรือเพลิงทิพย์ที่มิดิไม่ไว้ผ้าคู่อันนี้ก็เป็นผ้าที่ห่อพระบรมอ่าพระอสลีละที่ส่วนส่วนที่เหลือห้าประการซึ่งมีพระอธิเป็นต้นนั้นไว้เพลิงมิดิไม่ไป เมื่อเสร็จจากการถวายพระเพลิงแล้วปรากฏว่าพ่อนา้าบธิได้หลั่งมาจากอากาศมาดับเชิงตะกอนหรือมาดับจิตตก า, านแม้กระทั่งน้ำพุก็ได้พุ่งออกจากต้นพญาลังสารพิกนั้นตลอดกระทั่งชาวมารดกษักริ์ก็ได้นำเอาน้ำ เจือด้วยน้ําหอมมาดับกิ จ, จกาทานของพระผู้มีภาคเจ้าแล้วก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไวในพระอบแก้วอัญเชิญไปประดิษฐานที่ทองลงหรือที่เรือสันถาคาันมรรกษัตริย์ทั้งหลายเมื่อได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เข้าไปประดิษฐานที่ท้องพรโรงภายในพระนครแล้วก็กลัวภัยอันตรายอันจะเกิดขึ้นจากบรรดากษัตริย์เมืองอื่นจะใช้อำนาจแห่งกองทัพมาชิงพระบรมสารีริกธาตุก็จึงได้ตั้งการอารักขาวไวอา้อย่างแน่นแนฟะอย่างแน่นหนาคือตามหน้าต่าง นะตามสีบัญชรหรือว่าหน้าต่างแห่งท้องพะโลงนั้นทุกๆหน้าต่างก็มีทาหารถือหอกป้องกันภัยอันตรายที่เราเรียกกันว่าสติบัญชรเรือนนั่นเองนะสติบัญชรเรือระเบียบหอกก็คือว่ามีทาหารถือหอกประจำอยู่ตามช่องหน้าต่างแห่งท้องพะโลงนั้นทุกช่อง แล้วกำแพงชั้นในนั้นก็ยังใช้ทาหารธนูลายล้อมกำแพงชั้นในอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันกษัตริย์ภายนอกจะยกทัพมาชิงพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ได้จัดการอส ก, การะบูชากระทําการบูชาต่อพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์นั้น ด้วยการฟอร้อนลำขับร้องประโคมดนตรีต่างๆประโอบดนตรีต่างๆแล้วก็บูชาด้วยดอกไม้และของหอมนาน า, นานาชนิดเล่นนักขะัตะเลิกเป็นการเากะเลิกโกลาหนสิ้นเจ็ดวันเจ็ดคืนเพื่ อ, เ พ, อเพื่อเป็นการฉลองพระบรมสารีริกธาตุฝ่ายกษัตริย์ต่างพระนคร เมื่อได้ทราบข่าวว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้สเสด็จปรินิพนันแล้วที่กรุงกุสินลาก็จึงได้มีพระราชสารให้ราชทูตนั้นนำมาพร้อมทั้งกองทัพหกพระนคร ด, นด้วยกันก็สาบหกพระนครนั้นก็คือหนึ่งได้แก่พระเจ้าอาชาติศัตรูแห่งแว่นแคว้นมคตแห่งเมืองกระราชเชืุ แห่งแว่นแควนมคตสองกษัตริิชวีแห่งเมืองเวสาลีแควนวัชีสามสกยาเกษัตริแห่งเมืองกบิลพัทแควนสักกะชนบทสี่ถูลีกษัตริย์แห่งเมืองอัลกัปตะนครห้าโกรยะกษัตริย์แห่งเมืองรามคามแขวนแขวนสักกะชนบทและหกมลเกษัตริย์ แห่งเมืองปาวานครแควนมันละและยังมีมหา พ, าพราหมณ์อีกพนครที่ปกครองพระนครอีกพระนครหนึ่งก็คือมหาพราหมณ์แห่งเมืองเวทีประกนครมเมื่อได้ทราบกิตติศัพท์ว่าองค์สุเดจพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าทรงปริญพาลแล้วเช่นนี้ก็จึงได้ส่งทูตเชิญศาลพร้อมทั้งกองทัพมาที่ เมืองกุสินาลาเพื่อทูลขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานไว้ในพระสถูกเพื่อเป็นที่สาการะบูชาแห่งเมืองของตนในราชสารในพระราชสารแห่งกษัตริย์ทั้งหลายทั้งทั้งหกพนคร น, นั้นได้ให้ราชทูตของตัวเองนำมาถวายแก่ พระเจ้ามรรคกษัตริย์แห่งเมืองกุสินลาซึ่งมีใจความว่าสมเด็จพระโลกุตมาจาร์ผู้ทรงพระภาคพระองค์เป็นกษัตริย์สมมุติวงศ์เราทั้งหลายก็เป็นขัติยราชอันอุดมเราทั้งหลายสมควรอยู่ที่จะได้ส่วนพระบรมสารีริกธาตุแห่งพระผู้มีพระภาคเจา้า เราทั้งหลายจัดได้ประดิษฐานพระสถูปกระทา ม, มหกรรมการบูชาให้มโหลานไพรสัส่วนมหาพรามเจ้าเมืองแห่งเวททีประกันครก็ได้ส่งราชสารให้พรามณนทุกัได้ส่งสารให้พรามณนทูตเชิญมาถวายพระเจ้ามรรลกษัตริย์มีใจความว่า สมเด็จพระพู้มีพระภาคก็เป็นกระสักวิสุทธิวงศ์ส่วนข้าพระองค์ก็เป็นพระมณชาติอันมหาศาลควรจะได้รับพระราชทานส่วนพระบรมสาลีลิกธาตแห่งพระโคโดมสากโยลดบ้างจักได้ไปประดิษฐานในพระสถูก กระทำมหกรรมบูชาตามกำลังทรัพย์และศรัทธาประสาทะเลื่อมใสของตนเมื่อราชทูตนั้นได้ทูลถวายสารของตนทูลถวายพระราชฐานอาพระราชสารและกระสารของตนอย่างนี้แล้วปรากฏว่ามลกระยัไม่ยอมตกลงที่จะแบ่งพระบรมสารีริกธาไทย โดยมัลรากษัตย์นั้นก็เด็ดขาแก่ราชจทูตและทูตทั้งเจ็ดพระนครนั้นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจเสด็จ ด, ดับขันธปรินิพานในคามาเขตสถานแห่งเราเราทั้งหลายจักไม่ยอมให้ส่วนพระบรมสารีริกธาตุของพระพูมีพระภาคเจ้าการที่มัลรากษัต์ ไม่ยอมแบ่งส่วนพระบรมสารีริกธาตุให้แก่ราชทูตและทูตทั้งเจ็ดพนคร น, นั้นท่านนักปราชญ์ทั้งหลายก็สนนิฐานกันเป็นหลายในนะสันนิฐานกันเป็นหลายในว่าประการหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์นั้นทรงเสด็จมาปรินิพาน ที่เมืองกุสินลาอันเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยหรือว่าเป็นกิ่งเป็นกิ่งเมืองเท่านั้นเองซึ่งพระอานนท์เองก็ได้ทูลทัดทานว่าขอให้พระองค์นั้นแข็งพระไทยไปเสด็จปรินิพานที่เมืองใหญ่ๆเทิดซึ่งมีเมืองราชิคลือเมืองจำปาเมืองสาวัตถีเมืองสาเกตเมืองโกสัมพีเมืองพารานสีซึ่งเป็นจังหวัดหรือว่าเป็นเมืองใหญ่ๆทั้งนั้น และพระราชาแห่งเมืองนั้นก็ได้รับ ม, มุรธาพิเศษเป็นเอกราชเป็นกษัตริย์เป็นพรามนา บ, บดีทั้งทั้งกษัตริย์และพรามนา บ, บดีในเมืองนั้นก็มีความเริ่มใสเป็นอย่างยิ่งในพระถาคตเจ้ามีอยู่มากหลายพระนครจะได้กระทำการบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระบร ม, าารบรมาสารีระของพระธาคตเจ้านั้น ให้มโหลานนะให้โมโหลานสักการะอันยิ่งใหญ่แต่ว่าองค์ทศเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ไม่ยอมตามหรือไม่ดำเนินไปตามคำของท่านพระอานนท์ทรงสเสด็จปนิพพานที่สารวันวโนทยานสาลวันโนทยานแห่งเมืองกุสินารานั่นเองแล้วก็มรรคกษัตรินั้นเมื่อพระเมื่อ ทูตทั้งหลายมาทูลขอเช่นนี้ก็น่าจะแบ่งให้เพราะเหตุที่ว่าทําไมแบ่งให้แล้วอาจจะเกิดภัยอันตรายแก่พระนครของตนกันได้และประการหนึ่งพระนครของตนก็เป็นเมืองเล็กไม่มีมหิทธานุภาพหรืออนุภาพแห่งกองทัพก็สู้พระนครอื่นไม่ได้อาจจะนําภัยอันตรายแก่ตนเองเอามาให้แก่ตนเองได้โดยตนเองไม่สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองประเทศชาติ ด้วยกําลังของตนเองได้แต่ว่าทํำไมมัรลคกษัตริย์นี้จึงไม่ยอมแบ่งให้อันนี้ความจริงแล้วมรรคกษัตริย์ทั้งหลายก็ทรงเห็นว่าเมื่อทูตานุทูตนั้นได้นําราชสารมาหนึ่งๆนั้นมาขอแบ่งส่วนพระบรมสารีริกธาตุไอ้คั้นจะให้ส่วนแบ่งไปให้ไปโดยเร็วนะักมันก็ไม่เป็นการเหมาะสม เพราะการส่วนอาการที่มาขอส่วนพระบรมสารีริกธาตุนั้นก็ยากที่จะรู้ได้ว่ามันจะสงบลงแคน้นหรือไม่หรือว่าจะมีทูตทู <c oughs> ตานุทูตมาจากพระนครอีกอันหนึ่งเมื่อจะรีบแบ่งส่วนพระบรมสารีริกธาตุนี้ไปส่งถาวายเองแก่พระนครต่างๆนั้นก็ไม่เป็นการดีเช่นกันเพราะไม่ทราบว่าภายหลังนั้นจะมีผู้มาขอเอง มาขออีกหรือไม่จะเป็นการยากที่จะปฏิเสธได้ว่าพราะบรมสารีริกธาตุนั้นหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จึงยังระงับที่จะไม่ยอมให้ก่อนอันหนึ่งมลรักษัตริย์นั้นก็คิดขึ้นว่าเมื่อเรานั้นไม่ยอมแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแล้วทูตานุทูตทั้งหลายจะยกกองทัพกลับไปเลยโดยกลับไปโดยพลันนั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้ หรือหรือจะยกทัพนั่นเข้ามาแย่งชิงอีกก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เรานั้นทวงเวลาไว้ก่อนเพื่อที่จะให้กษัตริย์ทั้งหลายทั้งหลายพระนัทั้ ง, งพระนครอ่าพระนครทั้งหลายนั้นที่ทราบข่าวแล้วมาไปชุมพร้อมกันและจะได้ทำการแบ่งส่วนพระบรมสารีริกธาตุนี้พร้อมกันทีเดียว เพื่อที่จะได้เป็นพยานกันโดยทั่วไปและเมื่ออาจจะมีพระนครอื่นนั้นทรงราชทูตมาขอในภายหลังก็จะพูดได้ว่าบัตรนี้เราได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุนั้นไปจนหมดสิ้นแล้วไม่มีที่จะแบ่งให้อีกแล้วก็จะไม่เป็นการที่ให้เกิดการวิวาสขึ้นใดเพราะฉะนั้นเมื่อมรลกษัตริย์ทรงพระดำริเช่นนี้แล้วก็จึงได้ปฏิเสธ ไม่ยอมให้โดยกล่าวว่าสมเด็จพระผู้มีภาคเจ้านั้นสเสด็จมาปรินิพานในคามาเขตของเราเราทั้งหลายจะไม่ยอมแบ่งส่วนพระบรมสารีริกธาตุยเมื่อมันลากษัตริย์ได้กล่าวเช่นนี้ปรากฏว่าเกินปฏิกริยาขึ้นแก่ราชทูตและทูต แ, และพระมณทูตทั้งเจ็ดพระนคร จนเกิดที่จะเกิดวิวาดเป็นสงครามปะทะหัยขึ้นครั้งนั้นโทนพลามผู้เป็นใหญ่เป็นคนที่มีปัญญาสามารถฉลาดในการที่จะผ่อนผันให้ต้องตามคดีโลกคดีทําได้เป็นผู้ที่มีชุดามีถ้อยคำเป็นที่เชื่อถือของประชาชนทั่วไปเป็นผู้ที่มีความสามารถจะห้ามการวิวาดโกหลให้สงบได้โดยสามัคคีธรรม เมื่อได้ฟังพระดำรัสอันเห้าหานแห่งมรรคสั์เช่นนี้แล้วก็จึงดำลิขึ้นว่าการที่มรรกษั์มาขัดขวางไว้ไม่ยอมแบ่งส่วนพระบรมสารีริกธาตุถาวายแด่เจ้าพระนครนี้ซึ่งราชทูตทั้งหลายก็มาขอนั้นน่ะไม่เป็นการดีเลยเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็มิทิฏยาสาโลหิตเผาพันแห่งเรา พวกเราทั้งหลายที่เด่นนับถือพระองค์ก็ด้วยว่าพระองค์เป็นผู้สั่งสอนข้อปฏิบัติเป็นเหตุถึงแม้ว่ากระจัเมืองอื่นพระนครอื่นก็เช่นเดียวกันที่มาขอส่วนพระบรมสารีริกธาตุนี้เล่าก็ไม่ได้เป็นญาติเป็นพระวงศ์แก่พระองค์แต่อาศัยความเลื่อมใสต่อข้อปฏิบัติของพระองค์และธรรมคาสั่งสอนของพระองค์ จึงได้นับถือพระองค์เหมือนเราฉชนั้นและเมื่อมรักษกษัตริย์นี้ไม่ยอมถวายส่วนพระบรมสารีริกธาตุนี้เป็นการที่ตัดทางพระราชมายตรีให้ขาดโดยไม่สมควรเลยอันหนึ่งพระผู้มีภาคเจ้านั้นไม่ได้ทรงแสดงทมสั่งสอนไว้เพื่อให้เราพยายามสู้ลบซงสู้ลบกันหรือก่ อ, อ, กอสงครามกัน โอวาุสาสนีของพระองค์นั้นเป็นไปในทางขันติอดกั้นและสามาคีธรมรมไกลจากวิหิงสาคือการเบียดเบียนและความอาฆาตมาตร้ายกันสมเด็จพระบรมมัสะสมเด็จพระผู้มีภาคเจ้านั้นพระองค์ดำงรงพระชนมายุอยู่ชนทั้งหลายเป็นอันมากก็ไดเห็นได้สกาละพระองค์ในที่ต่างๆ แต่ว่าครั้งนี้พระองค์สเสด็จ ด, ดับขันพระริพานแล้วภาษาลีลิกธาต น, นี้แหละจะได้เป็นที่ไหว้ที่สการะของอ่าเป็นที่ไหว้ที่สการะบูชาฉลองต่อพระองค์ซึ่งกาลนานเพื่อที่จะได้สําเร็จประโยชน์สุขแก่ชนเป็นอันมากและการครั้งนี้ก็พร้อมด้วยมูกษัตริย์และพลาราหมณ์ล้วนมหาศาล สุคูมราิชาตอันประเสรตทั้งนั้นเมื่อเราจัดสรรแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้ไปเท่าๆกันแล้วทั้งเจ้าพระนครและต่างพระนครเจ้าพระนครคือม ล, ละเองและต่างพระนครคือกษัตริย์ต่างๆที่มาจากพระนคร อ, อื่นแม้ราชจ้าทุกทั้งหลายที่จะมาในภายหลังจะได้อ้างก็จะได้อ้างได้ว่าส่วนพระบรมสารีริกธาตุนั้นเราแบ่งปันไปหมดแล้ว ไม่มีเหลืออีกแล้วหมดป้อมเปลี่ยนกันอย่างนี้แล้วก็ไม่มีทางที่จะเสียพระราชมาตรีได้และภัยอันตรายอันใดแก่เราก็จะไม่มีเพราะเหตุนั้นสงครามใหญ่จะเกิดขึ้นครั้งนี้ก็เพราะเหตุที่ว่าพระบรมสารีริกธาตุของพระโอปุตพพุทธเจ้านี้เป็นเหตุเท่านั้นเพราะฉะนั้นควรที่จะได้มอบพระบรมสารีริกธาตุนี้ แก่บรรดากษัตริย์ทั้งหลายและกษัตรย์ทั้งหลายก็จะได้เชิญไปประดิษฐานในพระสถูกบรรจุไว้เป็นที่สการะบูชาซึ่งการที่จะประดิษฐานพระสถูกบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการนมัส ก, การกราบไหว้บูชาให้เกิดความเลื่อมใสและลึกถึงพระพุทธคุณเป็นอารมณ์เป็นการที่กระทําตามพุทธโอวาท จะได้เป็นาศาสนปฏิบัติเมื่อบุคคลประกอบตามาศาสนปฏิบัตินี้แล้วจะได้เว้นจากปอบาประกรรมอกุศลลทุจริตทุกประการบำเพ็ญบุญกุศลสร้างแต่กุศลกิริยาตั้งแต่สร้างแต่บุญกิริยาให้พิเศษภัยสารเท่านั้นและจะกอให้เกิด อันหนึ่งเมื่อประสงค์คุณคุณานุสง์ผลประโยชน์ดังนี้แล้วการที่จะก่อให้เกิดอากุศลรลาสีด้วยอำนาจมานะอหังการก็จะหมดไปเพราะเหตุที่ปูชนีวัตถุอันนี้เราจะแสดงคุณคือขันติวาทะและความพร้อมเพรียงแห่งมหิอ่าและความพร้อมเพรียง แห่งมหิสระราชให้หมู่ใหญ่น้อยได้ให้หมู่ใหญ่หมู่น้อยไนดะ้ให้เห็นโดยเหตุอันมั่นคงพ้นที่จะมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะขัดข้านได้แล้วจะแบ่งส่วนพระสรีลิขิตานี้ให้เท่าเ่ากันทั้งแปดพนักรเมื่อพรามนั้นเมื่อทนพรามได้มีความคิดเช่นนี้แล้วก็จึงได้กล่าวสุนทรพจน แกบรรดากระสักทั้งแพระนครันทั้งเจ็ดพระนครซึ่งมีพระเจ้ามรละเป็นต้นแล้วกระทั่งทูตพร้อมทั้งพรามับทูตแห่งเวทธัทีประกะนครว่าขอขณานิกรเจ้าผู้เจริญทั้งหลายจงฟังวาจาของข้าพระเจ้า แล้วจงปฏิปฏบัติตามคำของ ข, ข้าพระองค์นั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าผู้เบิกบานแล้วด้วยสรรพคุณเป็นสารณะที่พึ่งแห่งเราทั้งหลายพระองค์เป็นขันติวาทะกล่าวสระเสริญขันติคือความอดกั้นทนทานต่อพาหิรทุกข์คือทุกภายนอกและกำลังแห่งกิเลส การที่ท่านทั้งหลายจะมาปราอจะมาปราลกส่วนแห่งพระสริละหรือพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์นั้นเป็นต้นเหตุแล้วก็ททำการประหัตประหารกันด้วยสตราวุธเป็นสงครามขึ้นไม่สมควรเลยข้าแต่พระองค์ผู้กษัตริย์เจ้าฟูเจริญบรรดาเราทั้งปวงทั้งเจ้าพระนครเดิมและต่างราชธานี จงพลักพร้อมสามัคคีชื่นชมกเกษมสารแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็นแปดส่วนให้เสมอกันทุกพนครเถิดขอพระสถูกบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์จงแพร่หลายไปทั่วทุกพิสานุทิศจักให้สำเร็จประโยชน์และสุขแก่นิกรสัติ์ซึ่งการานาน ชนทั้งหลายผู้ร่อมใสแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้มียานจักสุกนั้นมีอยู่มากค้นที่จะคลณาได้เมื่อโทนนภามกล่าขันติวาะัะและสัมมาคีทำอย่างนี้แล้วกษัตริย์แห่งมลกระสัตริย์มลกระสัตริย์และพรามอ่าและราชทูตแห่งกษัตริย์ทั้งเจ็ดพนครพร้อมทั้งผู้ของพรามนั้นก็เมื่อได้สดับเช่นนี้แล้ว ก็เห็นชอบด้วยตามคําของโทนพรามแล้วก็จึงได้มอบให้โทนพรานั้นเป็นใหญ่ในการแบ่งพระบรมสาร์พระบรมธาตุคือมอบให้พลานั้นเป็นผู้จัด ก, การในการแบ่งพระบรมธาตุหรือบรมสารีริกธาตุฝ่ายโทนพรามนั้นเมื่อได้รับบัญชาเช่นนีแ้แล้วก็จึงได้เอาตุ้มพระธนานทองเนี่ย คือได้เอาธนานทองคำเนี่ยมาตวงพระบรมสารีริกธาตุนี้แบ่งให้ทเท่ากันแปดส่วนซึ่งปรากฏว่าโทนพรานนี้ได้เอาตุมพระธนานทองนี้ทวงอ่าตวงพระบรมธาตุทั้งหมดนั้นได้พระบรมธาตุนั้นสิบหกนานแล้วก็แบ่งทเท่ากันก็คือแบ่งให้ธนานครและอัญละสองธนาน รวมเป็นแปดส่วนทเท่าๆกันได้ถวายแก่กษัตริย์และพรามนะแล ะ, ะได้ถวายแก่กษัตริย์ซึ่งมีราชทูตและพรามซึ่งมีพรามมณูตมาลักไปทุกๆพระนครเสร็จแล้วก็จึงได้ทูลขอตุมพร ะ, ะจึงได้ทูลทูลขอธนานทองซึ่งตวงพระบรมสาลีลิกธาตุนี้ เพื่อที่จะได้ไปสร้างพระเจดีย์บรรจุเป็นที่เคารพสการะของตนต่อไปก็ปรากฏว่ามลรากษัตย์พร้อมด้วยราชทูตและพรามณทูตทั้งเจ็ดพนาครนั้นก็ยินดียอมยกให้นะยินดียอมยกให้กษัตริย์ทั้งแปดพนาครั้ทั้งหกทั้งหกพนาครพร้อมด้วย พาะมนาธตอีกหนึ่งพระนคร น, นั้นเมื่อได้รับส่วนแบ่งแห่งพระบรมสารีริกธาตุแล้วต่างก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนั้นด้วยสการะอันมโหลานนำไปอย่างสถานที่พระนครของตนเองแล้วก็ได้สร้างพระสถูปบรรจุทาเป็นมหากรรม นะบรรจุไว้แล้วก็ทําการฉลองเป็นการบูชาพระบรมสารีริกธาตุนี้อย่างเกกะเลิกโกลาหลุนซึ่งประศัตรทั้งหลายนั้นก็ได้สร้างสถูกไว้ตามสถานที่ของตนเองเช่นฝ่ายมละกษัตริย์ก็ได้สร้างขึ้นที่กรุงได้สร้างสถูกบรรจุไว้ที่กรุงกุสินาราแล้วก็ได้มีการ ฉลองพระธาตุที่บรรจุพระสถูปนั้นส่วนอ่าพระเจ้าชาติสตรูเมื่อได้พระบรมธาตุมาแล้วก็ได้สร้างสถูปขึ้นที่กลางเมืองกรุงราชครุษนั่นเองปรากฏว่าทั้งเจ็ดพระนครนี้ทั้งอทั้งแปดพระนครนี้ก็ได้สร้างสร้างสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ทุกทุกพระนคร แม้กระทั่งพราหมณ์คือทนพราหมณ์นั้นได้ตุงพระธนานทองไปแล้วก็ได้ไปสร้างสถูกตามกำลังทัพของตนเองไว้นักที่บ้านของตัวเอ ง, ง, อ ง, เองและเอาธนานทองนี้บรรจุไว้ในพระสถูกเป็นที่ศักาละต่อไปฝ่ายโมริยกษัตริย์เมืองปิพพิวันโดยทราบข่าวในภายหลังว่าพระผู้มีพระเจ้าสเสด็จปรินิพานที่เมืองกุสินาราก็จึงได้ส่งราชทูต มายังเมืองกุสินาลาเพื่อขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุกษัตริยมลกระสัตริย์ก็จึงได้ตรัสแก่ราชทูตว่าส่วนแห่งพระสรีระบัดนี้ไม่มีแล้วเราได้แบ่งสได้แบ่งสรรปันส่วนกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีเหลือที่จะให้ท่านเพราะฉะนั้นขอให้ท่านเชิญพระอังคารไปบรรจุในพระสถุกทําการสการะบูชาเถิด พระอังคารนี้ก็คือเรียกกันง่ายๆก็คือว่าคิดเท่าอันเหลือจากการเผาไหม้แห่งพระบรุอญาแห่งพระบรมสาลีธิดาธเพราะฉะนั้นกรัศด์แห่งปีพุรีวันนี้เมื่อตอนอราช จ, จัทูตแห่งปีพุรีวันนี้เมื่อตอนเองไม่ได้ไม่ได้ส่วนแห่งพระสรละีระคือไม่ไดพระบรลมสาลีธิดาธกา็จึงได้นำพระอังคารอ เชิญเสด็จได้นำพระังฐานนั้นไ ป, ปนกลับไปเมืองของตนเองแล้วก็ได้สร้างไปสร้างเป็นพระสถูปนำพระอังคารนี้เข้าไปบรรจุเป็นที่สการะบูชาต่อไปเอาละท่านผู้ฟังและนักศึกษาทั้งหลายวันนี้ก็ขอจบไวเพียงแค่นี้ก่อน ขอความเจริญผาสุขจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านด้วยกันขอเจริญพรเจริญสุขท่านผู้ฟังและนักศึกษาทั้งหลายวันนี้เราก็มาว่าบทเรียนพุทธประวัติกันต่อไปซึ่งบทเรียนนี้เป็นบทเรียนสุดท้ายแห่งพุทธประวัติ นักธรรมชันตรีเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเราได้พูดมาถึงตอนที่าราชทูตและพรามนทูตจากพระนครทั้งสี่อับจากพระนครทั้งเจ็ดได้มาขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ได้นำไปบรรจุในพระเจดีย์ของเมืองของตนเอง พร้อมทั้งราชทูตแห่งปิตพริวันมาในภายหลังไม่ได้ส่วนไม่ได้พระบรมสารีาริกธาตุก็จึงได้อัญเชิญพระอังคารคือขี้เท่าที่เหลือจากการชาวปนกิจพระบรมศพของพระพุทธองค์ไปบรราไปไปบรรจุ สร้างพระสถูปเยนดีบรรจุไว้ในที่เมืองของตนเองเพื่อเป็นสการะบูชาต่อไปเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็มาพูดต่อเนื่อกษัตริย์ทั้งแปดพนครทั้งเก้าพนครแล้วก็รวมทั้งพราม โคนภพรามณ์ซึ่งได้ท ำ, ทำพระสถูปบรรจุพัฒนาทองไว้ก็จะเห็นได้ว่าในอันดับเริ่มแรกหลังจากที่พระพุทธองค์ปนิพพาลแล้วมีเจดีสถานสิบธิตำบลด้วยกันขอทนอีกสักครั้งหนึ่งสิบธิตำบล น, นั้นมีมีที่ไหนบ้าง ก็เจดียสถานหรือที่เราเรียกกันว่าพระสถุกพระสถุกเจดีย์นั้นซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั้นก็มีแปดพระนครด้วยกันก็หนึ่งที่เมืองราชเกลือแคว้นมคทรัฐสองที่เมืองเวสาลีแคว้นวัดชี สามที่เมืองกบิลพัทแคว้นสกตะชนบทสี่ที่เมืองอัลละกัปอัลละกัปปะนครนห้าที่เมืองรามคมแคว้นสกกะชนบท 6. กที่เมืองปาวานครแคว้นมัลละเจ็ดที่เมืองเวทะทีปะกะนครและก็แปด ที่เมืองกุสินาราแควนมันละเชียงกันแต่ในที่นี้เราจะเห็นได้ว่าสัตว์ชนบทนั้นมีอยู่สองแห่งเดียกันคือที่เมืองกระบิลพัสน์กับเมืองารามคามอันเป็นฝ่ายที่ฝ่ายพระยาะพราะญาตพระวงของพระองค์คือทางฝ่าย พ ร, พระาพราชบิดาและพระพุทธมารดาและส่วนแว่นแคว้ น, วนมัลละก็เช่นเดียวกันมีอยู่สองพระนครในการคือที่เมืองกุศินลากับเมืองป่าวาความจริงแล้วเมืองกุศินลากับเมืองปาวา น, นี้ปกครองร่วมกันนะี่ปกครองร่วมกันพระนครสองพระนครนี้ปกครองโดยสามัคคีธรรม บางปกครองร่วมกันก็โดยการที่ว่าสองพรนคร น, นี้มือ ก, กษัตริย์องค์เดียวในยุคณในยุคพุทธกาลนั้นที่กล่าวมานี้ก็มี ก, กษัตริย์ปกครองอยู่ที่กุสินาราส่วนตะวาก็ปกครองร่วมกันแต่เวลาขอส่วนแบ่งพระบรมสารีก็กธาตนั้นแบ่งออกเป็นสองพรนคร น, นะแต่ว่าเวลาปกครองนั้นปกครอง ร่วมกันมีกษัตริย์องค์เดียวองค์เดียวกันซึ่งกษัตริย์นี้ก็ดํำลงอยู่ที่เมืองกุสินารานั่นเองนี่เป็นเจดีแปดแห่งหรือที่มีแห่นที่แปดพันครด้วยกันเป็นพระเจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่บรรจุพระอังคารมีแห่งหนึ่งก็ที่เมืองปิดภริวัน ซึ่งราชทูตนั้นแห่งเมืองปิปีภ ร, ริวันได้มาทูลขอพระบรมสารีริกธาตุเมื่อไม่ได้ก็เชิญพระอังคารไปบจ่จุเพราะฉะนั้นเจดีย์แห่งเมืองปีภ ร, ริวันนี้เป็นที่บ่จุพระอังคารส่วนอีกแห่งหนึ่งก็คือที่บ้านโทนพรามโทนพรามนี้ก็คงอาก็อยากคงแน่นอนว่าคงอยู่ที่เมืองกุสินารานั่นเองโทนพรามนี้ตามนั่นแล้ว ว่าโทนพราหมู้นี้อ่ได้เป็นปุโรหิตของพระเจ้ามรรคกษัตริย์เพราะฉะนั้นเมื่อโทนพราหมู้นี้พูดขึ้นอ่าพูดขึ้นในระหว่างที่ประชุมแห่งกษัตริย์และราชทูตนั้นมัรรคกษัตริย์จึงได้ยอมฟังเขาล็หรือเชื่อคําของโทนพราหมโทนพราหมูนี้ก็เป็นผู้ที่เป็นประธานในการที่จัดการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ แล้วก็ได้ทูลขอทนานทองที่ตนเองเป็นผู้ตวงพระบรมสารีริกธาตุแบ่งให้กษัตริย์โดยเท่าเท่ากันนั้นเพื่อที่จะได้ไปสร้างพระสถูุหรือเจดีย์บรรจุไว้ที่บางตนเองเพื่อเป็นการสักการะเพราะฉะนั้นอีกแห่งหนึ่งก็คือที่บ้านโทนพรามนี้แต่ว่าเจดีย์แห่งนี้เป็นที่บรรจุพระตุมพระทนานทองซึ่งตวงพระบรมสารีริกธาตุเพราะฉะนั้น หลังจากที่องค์สมเด็จพระสมษษัสมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานแล้วก็มีเจดีย์ด้วยกันพแห่งด้วยกันพบแห่งด้วยกันอ่า น, นี้ประเภทแห่งเจดีย์เจดีย์นี้เมื่อจะกล่าวแล้วมีด้วยกันทั้งหมดสี่ประเภท ที่ประเภทนี้ก็คือหนึ่งท่าเจดีย์เจดีย์ที่บรรจุพระบรมพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุสองบริโภคเจดีย์เจดีย์นี้ที่บรรจุเครื่องใช้ไม้สอยของพระพุทธองค์และอุเทสิททททสกะเจดีย์นี้ได้แก่พระพุทธรูปแล้วก็ทํามาเจดีย์นี้ได้แก่เจดีย์ที่บรรจุพระธรรมตอนเริ่มแรกนั้นหลังจากพระพุทธองค์ปรินิพานใหม่ๆนั้น เจดีนั้นก็มีอาแบ่งออกเป็นสองประเภททนั้นคือมีแต่ท่าเจดีก็บริโภคเจดีท่าเจดียอย่างไรก็ตามที่กล่าวแล้วว่าท่าเจดีนั่นก็ได้กแก่เจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแปดแห่งส่วนอีกสองแห่งนั้นก็ที่ปิดภริวันแล้วก็ที่บ้านของธนพรามนั้นเป็นที่บรรจุพระอังคาร กับพระแอบพระทแอดพระธนารองนั้นท่านก็สงเคราะห์เป็นบริพุทธเจดีก็จัดว่าเป็นบริพุทธเจดีคือจะสงเคราะห์จะเข้าในธาตุเจดีก็ไม่เชิงไม่สามารถที่จะเข้าได้ก็จัดเป็นบริพุทธเจดีแต่เมื่อกล่าวโดยบริพุทธเจดีแล้วก็ยังมีสิ่งอื่นอือีกที่รวงเข้าในบริพุทธเจดีได้ก็คือหนึ่งสังเวชนียสถ า, าน สังเวชนียสถานสีตำบลก็ได้แก่ที่ประสูตรที่ตัดสลุที่แสดงพระธรรมจักรและที่ปรินิพานที่นี่แหละจัดว่าเป็นบริโภคเสเจดีคือเป็นสถานที่พระองค์นั้นเคยประทับเป็นสถานที่เกี่ยวข้องกับพระองค์และพระองค์ก็ได้ตรัสแก่พระอานนท์ไว้ก่อนที่จะปรินิพานซึ่งพระอานนท์ถามว่าท่าพระอานนท์ที่ท่านพระอานนท์ได้กล่าวว่า เมื่อพระองค์ทรงพระชนมายุอยู่นั้นพุทธบริษัทคือพิษุเมื่อออกพรรษาแล้วจะมาเฝ้าพระองค์เข้าพระองค์ก็ได้สมธนาปลาัสาแก่พิสุเหล่านั้นเป็นที่เกิดความชื่นอกชื่นใจแต่เมื่อพระองค์นั้นปรินิพานไปแล้วข้าพระองค์คงจะไม่ได้เห็นพระพิสุตเหล่านั้นอีกพระองค์ก็จัดว่าดูกร อ, อ, อนุนสถานที่สี่แห่ง เป็นสังเวชนียสถานคือเป็นสถานที่ควรพุทธบริษัทควรจะสังเวชควรที่จะไปดูควรจะไปนมัสการก็คือสถานที่ที่สถาโคตรสูตรตัสลูแสดงธรรมาจักนิพพานนี่เองเมื่อพุทธบริษัทไปแล้วจะได้เกิดความศรัทธาภาษาทะความเชื่อความเล้นสว่าสถานที่นี้เป็นที่พระองค์ประสูตตัสลูแสดงธรรมาจักนิพพานอันนี้แหละยังให้ผู้บุคคลผู้ไปบูชาแล้วให้เกิดความสุขความเจริญ ให้เกิดความสุขความเจริญและจะนำไปสู่สวรรค์ได้อันนี้จึงได้จัดเข้าในบริโภคสุเจดีและนอกจากนั้นแล้วบริขารทั้งหมดที่พระพุทธองค์ชายสอยตลอดกระทั่งเพียงต่างเสนาสนะกุฎีวิหารซึ่งพระองค์เคยประทับก็จัดเข้าในบริโภคสุเจดีนะก็จัดเข้าไปในบริโภคสุเจดีเช่นเดียวกันแต่ต่อมา ปรากฏว่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเกิดความเลืมใสในพุทธองค์เห็นว่าพระองค์ปรินิพานไปแล้วไม่มีองค์ใดอไม่มีไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นองค์แทนพระองค์ก็จึงได้สร้างเป็นพุทธรูปขึ้นเป็นการที่จะเป็นองค์แทนพระองค์เพื่อที่จะให้เกิดศรัทธาและเลืมใส หรือว่าให้เกิดอารมณ์เป็นพุท ธ, ธานุสติและลึกถึงผู้กลุมพุทธเจ้าได้ก็จึงได้จัดสร้างขึ้นเป็นพระพุทธรูปขึ้นมานะแม่แต่พระพิสุบางองค์ในลังกาทวีปได้เห็นพรามนั้นแปลงตัวเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเป็นพระพุทธเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้เกิดความเลื่อมใส ถือเอาองค์สมเด็จถือเอาเป็นอารมณ์จเจริญพุทธานุสติยังมรรคผลนิพพานในเกิดขึ้นใดอันนี้ประชาชนในภายหลังเกิดเลื่อมใสขึ้นก็จึงได้สร้างพุทธรูปขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปนี่แหละจึงจัดว่าเป็นอุเทสิกะเจดีย์นะพุทธรูปหรือที่เราเรียกพุทธปฏิมาคือรูปขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะสร้างไปแบบไหนปางไหนก็ตามเป็นองค์แทนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จัดว่าเป็นอุเทสิกะเจดีย์ ส่วนต่อมาทายกบางท่านหรือพุทธศาสนิกชนบางท่านเกิดความเรื่มใสขึ้นต้องการที่จะสร้างเป็นพระเจดีย์เพื่อเป็นการสการะบูชาเพราะได้ทราบข่าวว่าในในครั้งก่อนนั้นหลังจากที่พระองค์สม<ง><ง>เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประนีผ่านแล้วไม่มีพระเจดีย์ขึ้นถึงสิบแห่งสร้างที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นที่เคารพสการะ ตนเองเกิดความเรื่มใสขึ้นใคร่จะสร้างพระสถูคเจดีย์ขึ้นแต่เมื่อสร้างขึ้นแล้วเห็นว่าสถูคเจดีย์นี้ก็สร้างด้วยปูนและสร้างโดยอิฐท่านจะกราบไหว้ปูนกราบไหว้อิฐขึ้นมามันก็ใช่ที่ควรที่จะหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาบรรจุอันเป็นที่เคารพแต่ว่าจะหาพราะบรมสารีริกธาตุก็หาไม่ได้จะหา เครื่องที่อุปโภคใช้สอยของพระพุทธองค์อเช่นบาทเป็นต้นหรือจีวรของพระพุทธองค์มาดเด็เป็นต้นมาบรรจุแล้วก็หาไม่ได้ก็จึงได้นําเอาเรื่อทำคำพีแห่งพระธรรมหรือหนังสือพระธรรมของพระพุทธองค์นี่แหละซึ่งถือว่าเป็นจารึกพระรพุทธพจน์คําสอนของพระรองค์ไว้ลงในใบาลานบ้างในหนังสือในกระดาษคอยบ้างก็เลยนําเอา คำพีต่างๆเหล่านี้หรือพุทธพจน์เหล่านี้มาบรรจุไว้ในพระเจดีย์นั้นเพราะฉะนั้นเจดีย์นี้ก็จึงได้ชื่อว่าธรรมเจดีย์นะจึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมเจดีย์อ่าเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าแม้แต่คำภีร์ใบลานหรือพระไตรปิฎกต่างๆนี้ถึงจะไม่เดบบรรจุ ่าซึ่งเป็นพระตาวิฎกนี้ก็จัดว่าเป็นพระพุทธเป็นพระธรรมเจดีย์ได้เหมือนกันแต่ว่าจะสร้างเป็นพระเจดีย์และบรรจุแล้วก็ถือว่าเป็นพระธรรมเจดีย์เหมือนกันนี่เรียกว่าประเภทแห่งเจดีย์รวมด้วยกันมีทั้งหมดสี่ประเภทคือท่าเสเจดีย์บริโภคเจดีย์อุเทสิกะเจดีย์ธรรมเจดีย์นะในข้อนี้นักเรียนต้องจําไว้ท่าเสเจดีย์นั้นได้แก่พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บริโภคเจดีย์นั้นได้แก่เจดีย์ที่บรรจุพระอังคารตุนพัฒนานทองและได้แก่สังเวชนียฐานสี่ตำบลและก็ได้แก่พระเจดีย์ที่บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดกระทั่งเตียงต่างกุดีวิหารของพระองค์ก็ถือว่าเป็นบริโภคขจีดีองคุเทศสิ ก, กเจดีย์นั้นได้แก่องค์พระพุทธลูกหรือพระพุทธปฏิมานั่นเอง ควนธรรมเจดีนั้นได้แก่พระสถูกหรือเจดีที่บรรจุ ค, คำพีใบลานหรือหนังสือต่างๆที่จารึกพระพุทธว จ, จะนะคือพระธรรมคำสอนของพุทธองค์นี่จัดเป็นพระธรรมเจดีอันนี้ควรจะจำไว้ต่อไปนี้เราก็มาพูดกันถึงเรื่องสังการสังขยาการสังขยนานี้ที่เราจะมาพูดกันนี้ เป่น ต, ตามประวัติแล้วพอที่จะจัดได้มาด้วยกันทั้งหมดประมาณห้าครั้งการสังเทนาสังเทนาหรือสังคีติกนี้ก็จะได้แก่การร้อยกรองคือการจัดแจงพระธรรมวินัยให้เป็นจัดแจงพระธรรมวินัยนี้ให้เป็นหมวดเป็นหมู่วันนี้เป็นธรรมนี่เป็นวินยัยนะเพราะว่าเพื่อจัดให้เป็นการที่ว่า พูดง่ายหรือว่าเรียกกันง่ายง่ายกามที่จัดว่านี่เป็นธรรมเป็นวินัยนี่เราได้จัดแยกออกไปเป็นสามหมวดในการที่เราเลือกว่าพระไตรปิฎกคือองค์พระเนรุสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสั่งสอนเวนัยสัสนั้นพระองค์สั่งสอนบางครั้งก็สั่งสอนเวนัยสัจเกี่ยวกับเรื่องพระสูตบางครั้งก็บัญญัติพรอวินัยแก่พระพิสุทและบางครั้งก็ สั่งสอนเวนัยศัสตร์ด้วยธรรมะที่ลึกซึ่งคือพระพิธรรมโดยที่อไม่ได้จัดเป็นหมวดเป็นหมู่ต่อมาภายหลังพระพุทธสาวกอรหันตสาวกก็ได้จัดให้เป็นหมวดเป็นหมู่วันนี้เป็นพระธรรมนี่เป็นพระวินยัยเหตุที่จะให้เกิดสังขยนาคือร้อยกรองพระธรรมวินัยนี้ก็เนื่องจากที่ท่านพระมหากระสปะเถระซึ่ง เป็นประธานในการกระทําชาปนแอถวายพระเพลิงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นซึ่งก่อนที่จะมาถวายพระเพลิงนั้นก็ได้ฟังคำของสุทัททะปริภาชกก็เห็นว่าพระพุทธองค์นั้นปรินิพานได้เจ็ดวันเสี้ยนน้ำแห่งพุทธศาสนานี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วถ้าปล่อยคืนปล่อยต่อไปพระพุทธศาสนานี้ก็จะเสื่อมโดยที่ไม่รู้ว่าอันใดเป็นธรรมอันใดเป็นวินยัยอันใดไม่ใช่ธรรมอันใดไม่ใช่วินยัย ก็เมื่อมลรักษัตัตย์นั้นอ่าทำการฉลองพระบรมสารีริกธาตุตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนนั้นในระยะนั้นท่านพระหาการสสปะก็ยังอยู่ที่เมืองกุสินาราด้วยก็จึงได้เอ่ยเรื่องของสุภธะบริพาชคขึ้นเจ้าแกหมู่แห่งที่สุประมาณเจ็ดหมื่ลูกแล้วก็ได้ชักชวนพระพิสุทิ์ทั้งหลายกระทาปสมสังขยากระทาสังขยาขึ้น ปรากฏว่าพิสุก็เห็นชอบด้วยในการทําสังเวยนานี้ท่านพระมหาการสปะก็ได้กล่าวว่าเพื่อเป็นการที่จะเชิดชูก็ทําระวินยัยถ้าหากไม่ทําไม่ทมําสังเวยน า, นานแล้วธรรมแล ะ, ะสิ่งที่ไม่ทําในวินัยนี้จะรุ่งเรืองพระธรรมวินัยนี้จะเสือ่อมธรรมวาทีจะได้พวกมากและธรรมวาทีจะมีพวกน้อย เพราะฉะนั้นเพื่อที่จะชำระว่าอะไรเป็นพระธรรมวินัยกันแน่พิะสุสงก็ตกลงแล้วยกมอกให้ท่านพมหากระสปะนี้เป็นประธานก็ได้เลือกเอาพระอรหันตสาวกด้วยกัน499ลูกรอไว้ลูกหนึ่งเรื่องจากพระมหาเถระซึ่งเป็นอรหรันต์เป็นพระอรหรันต์ผู้บรรลุ เต ว, วิชาสามอภิญญาหกด้วยกันท่านั้นเว้นพระอรหันต์ซึ่งเป็นสุขวิปัสศกเสียและพระอรหันต์อื่นอีกเป็นจำนวนมากเลือกแล้วได้สี่รอยเก้าสิบก้าองค์องค์หนึ่งไว้โอกาสให้แก่พระอนุนเพราะเหตุที่พระอนน์นั้นเป็นเพียงพระโสดาบันเท่านั้นแต่พิจารณาดูแล้วว่าการทำสัญคานาครั้งนี้ถ้าข่าวพระอนุนเสียจะจกสาเร็จได้ยาก เพราะพระอนุนี้เป็นครังปริยัตเป็นผู้ติดตามรู้พระพุทธองค์เหมือนก็นเงาตามตัวในฝังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์เป็นอย่อเป็นอันมากเมื่อตกลงเช่นนี้แล้วภิกษุภิกษุสงฆ์ผู้เป็นพระอรหันต์499กับพระอนุนเป็น500นั้นก็ได้มาจำพรรษาที่เมืองราชทูตเมื่อ ทเงตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปริพัาิได้แล้วในสาเดือนก็จึงได้เริ่มทำทสังขยานาขึ้นการทำสังขยนาครั้งที่หนึ่งี้ก็ทำขึ้นที่ถ้ำสตปันน ก, กูหาเชิงเขาเวพาลบันพศซึ่งมีพระเจ้าชาติสตรูผู้เป็นกษัตริย์แห่งกรุงราชพฤก์เป็นาศาสนูปธรรมพศการทาสังขยานาครั้งนี้ มีพระมหากสปะนั้นเป็นประธานเป็นผู้ถามพระอุบาลีเถระเป็นผู้วิสัญนาพระวินัยและพระอนนเทเถระเป็นผู้วิสัญนาพระสูตรและพระอภิธรมรมรวมพระอรหันต์ตขีนาศที่ทำสังเกตนาครั้งนี้ห้าร้อยองค์ปราลบเหตุที่สุภะปริพาชกกระกาวจุงจับพุทธศาสนาเป็นเหตุ กระทำอยู่เจ็ดเดือนจึงสาเร็จประทัอยู่เจ็ดเดือนสำเร็จการกระทําครั้งนี้ก็ได้จัดประทําทำคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นออกเป็นสามหมวดในการที่เราเรียกว่าพระไตรปิฎกที่จัดนั่นก็คือหนึ่งที่เป็นกดเป็นระเบียบเป็นข้อบังคับที่พระองค์ทรงบังคับลูกวางไว้ว่าเมื่อผู้คนใดล่วงข้อนี้แล้วจะเป็นอัมบัติอย่างนี้เป็นต้น จัดเป็นพระวินัยยปิดกส่วนที่เป็นคําสั่งสอนอ่าอันเป็นปุคลาที่ฐานยกบุคคลเป็ น, นี้อันเป็นผู้เป็นที่ตั้งคือล่าวว่าบุคคลทําดีอย่างนี้แล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนั้นหรือทําชั่วยอย่างนี้แล้วได้รับกรรมเช่นนั้นเช่นนั้นอันนี้จัดเป็นพระสุคันตปิดกส่วนคําสอนที่เป็นธรรมะล้วนๆไม่เกี่ยวกับบุคคล โดยยกขึ้นแต่ธรรมะล้วนั้งงั้นเช่นปิตเจตสิกลูกนิพพานอันนี้ล้วนจะทำจัดเป็นพระอภิธรรมอพิดกนี่เป็นการกระทำสังคกนาครั้งแรกเจ็ดเดือนจริงสำเร็จในครั้งที่สองนั้นเมื่อพระพุทธองค์ตอนนิพพานและได้ร้อยปี กลากฎว่าเกิดเรื่องขึ้นคือพวกพิษุชาวชีบุตรประพฤติผิดธรรมทวินัยผิดธรรมผิดวินยัยกล่าวแสดงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยว่าเป็นธรรมวินยัยเสร็จแล้วพระสงฆ์เจ็ดรอยลูกซึ่งมีพญาสกากันธะกบุตรเป็นผู้ชักชวนและเป็นประธานและมีพระสัพพกามีเป็นพระมหาเถระเป็นประธานในที่นั้น รอมทั้งพระเลวะตะพร้อมด้วยพระอระหันต์ทั้งหมดด้วยกันเจ็ดร้อยลูกชำระเรื่องวัตถุสิบประการที่พวกชาววชีบุตรได้กล่าวขึ้นื่อทําที่วาลุกอาวาลิกาลามเมืองเวสาลีได้พระเจ้ากาลาโศกราชเป็นองค์อุปถมัมภกเพื่อทําอยู่แปดเดือนจึงสำเร็จ สังคยนาทั้งที่สามนั้นหลังจากที่องค์ุณเนปสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรินิพานไปแล้วสองร้อยสิบแปดีตอนนี้พวกอากอรชีอตอนนี้พวกเดรธีปลอมเข้ามาบวชในพุทธศาสนามากพวกเดรธีนี่ก็คือวันนักบวชนอกศาสนาในศาสนาอื่น เห็นว่าลาบสการะเกิดในพุทธศาสนามากก็เข้ามาบวชปลามาบวชในพุทธศาสนาแล้วก็แสดงอาการทาสิ่งที่ผิดธรรมผิดวินยัยไม่อยู่ในพระธรรมวินยัยจนเป็นการเลื่อนว่าไม่ทราบว่าอา่าผู้ใดเป็นเอเป็นผู้ปฏิบัติตรงพระวินัยบ้างหรือไม่ตรงไหนปฏิบัติผิดพระวินัยบ้างอย่างนี้แล้วพระอรหันต์ร้อยลูกหนึ่งพันลูก ไ็ด็กพร้อมกันกระทําำการสังเกตนาที่อโศกาลามเมืองปาตีบุตรได้พระเจ้าอาโศกอมหาราชเป็นโอร์อุปถัมภ์และทําอยู่เก้าเดือนจึงสําเร็จและการกระทําสังคกตนาครั้งนี้เองพระเจ้าอาโศกมหาราชได้ทรงพระมหาเถร่าต่างๆไปประกาศศาสนาอย่างต่างแดนเช่นในใ น, ในประเทศใ น, ในฝ่ายชมพูทวีปก็ไปด้วหลายสาย แล้วก็ไปสายหนึ่งก็คือว่าออประกาศศาสนาที่ลังกาทวีปหรือที่เรียกว่าสิงห์ผลก็คือได้ส่งพระมหินเถระไปประกาศพระศาสนาส่วนทางเมืองไทยคือที่สุวรรณภูมินี้ก็ได้ส่งพระมหาเถระมาสององค์คือพระโสนแล ะ, ะพระอุปตะในมารเผยแพร่ศาสนาในประเทศในสุวรรณภูมิที่เราเชื่อกันว่า มาขึ้นที่นคนปรปฐมนี่ได้ส่งพระมหาเถระไปประกาศศาสนาด้วยกันในครั้งอ่าในครั้งที่สี่นั้นในครั้งที่สี่และครั้งที่ห้านี้ทำที่ลังกาทวีปในครั้งสามครั้งนั้นทำที่ชมพูทวีปคือประเทศอินเดียแต่ในครั้งที่สี่ที่เรียกว่าเจสุทะสังขยนานี้ ประทมที่ถูปารามเมืองอนุราธบุรีลังตาทวีตซึ่งพระเจ้าเทวานำปิยติจะเป็นองค์อุปธรรมพกจระทมเมื่อพศ2 3 6หลังจากที่พระพุทธองค์ปรินิพานแล้วโดยพระมาหินเถระได้ชักชวนภิกษุชาวสิงหนผลผู้เป็นพระอรหันต์หก0มืนแปดพันองค์ มีพระมหาอลิธาเถระเป็นต้นเพื่อปดิสฐานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในลังกาทวีสกระทำกันอยู่เช่นนี้ถึงสิบเดือนจึงสำเร็จมีหมายถึงว่าท่านพ่อม้มาหินธรรมหาเถระนั่นเป็นประธานในการชักชวนกระทำเพื่อความมั่นคงหรือปดิสฐานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในลังกาทวีปอ่า มิมนพระอาหารหันต์นั่หมืนแปด0ันลูกก็ทําทำกันอยู่สิบเดือนถึงสุเ็ทกันจะมาสังขยนาคือสังขยาครั้งที่ห้านี้จะทำกันที่อาโลกะเลนสถานก็คือในถ้ำที่ชื่อว่าอาโลกะในมะลลยชนบทหลังกาทวีปซึ่งมีพระเจ้าวัตคามินีอภัยเป็นองค์อุบถามพกจะทำเมื่อ พระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วได้4 5บปีโดยที่สุชาวสิงหนผลผู้เป็นพระอรหันต์ถึงพันลูกถึงหนึ่งมื่ลูกมีพระติจมหาเถระและพระพุทธทัตะเถระเป็นต้นเห็นความเสื่อมถอยแห่งปัญญาของกุณบุรคือว่าเห็นว่า ตุนบุตรนั้นมีปัญญาที่จะสามารถท่องจําโดยมุขปาฐานั้นไม่สามารถที่จะจํากันได้แล้วถ้าขืนให้ท่องจํากันหรือว่าสั่งสอนกันโดยมุขปาฐะต่อไปความเลือลอลางเลือนแห่งพุทธศาสนาหรือพระธรรมวินัยนี้จะเกิดขึ้นว่าจึงได้บรรจุประชุมต่างทำทันทนิษฐาโดยการที่จารึกพระธรรมวินัยนี้เป็นตัวอักษรคือเป็นตัวหนังสือลงไว้ในใบลาน จาทํากันอยู่หนึ่งปีจริงจนสำเร็จนะจะทากันอยู่หนึ่งปีจริงสําเร็จอันนี้แหละเรียกว่าเป็นทำสังยขยาครั้งที่ห้าเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกหรือพระพุทธพจน์ที่บรรณาที่เราได้สื่อเนต่อมาเป็นพระไตรปิฎกเป็นหนังสือนี้ก็ได้ด้วยการทําสังยขยาครั้งที่ห้าที่ประเทศลังกานี้เองนะที่ประเทศลังกานี้ ซึ่งมีพระมหาซึ่งมีพระปิศาสมาเถระกับพุทธตาเถระเป็นพระรหันพร้อมด้วยพระหันหนึ่งหมื่ลูกได้ไประชุมกันแล้วก็ได้จารึกคือเขียนพระพุทธวจนะคือพระธรรมวิ น, นัยนี้ลงในใบลานเพื่อที่จะให้พระพุทธคดของพระพุทธองค์นี้ไม่ลืมเลือนต่อไปเพราะเห็นว่าสัญญาของปุถุชนทั้งหลายนั้นไม่แน่นอนการไว้เพื่อความลืมเลือนจะได้มีหลักฐานเปิดดู เป็นที่อ้างอินได้เพราะฉะนั้นนับว่าการทำสังนินาทั้งทีห้านี้ได้มีคุณประโยชน์นะแก่พุทธศาสนาเป็นอย่างมากและการที่พระมหาเถระทั้งหลายได้กระทำสังนินาทั้งห้าครั้งนี้ก็นับว่าเป็นการสืบต่ออายุพพุทธศาสนาให้ยั่งยืนมาอยู่มาจนทุกวันนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้การทำสังนินานี้ไม่ทราบว่าพุทธศาสนาของเรานี้ จะสูญหายไปเสียคงจะสูญหายไปเสนานแล้วนี่ด้วยอนุภาพแห่งพระอาหารหันตระสาวกทั้งหลายได้เห็นเหตุการณ์ใจในการข้างหน้านั้นเพื่อความที่จะให้พระพุทธศาสนานี้ได้ยั่งยืนสืบต่อไปจิมเนกนมีอุตสาหะในการที่ทําสังคีนาเป็นอันุภาเป็นประโยชน์เป็นคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนานเป็นอย่างยิ่งเอาละท่านผู้ฟังและนักศึกษาทั้งหลาย บทเรียนแห่งพุทธประวัติมรทมชั้นตรีนี้ก็ไปอันวจบเพียงแค่นี้ในที่สุดนี้ขออำนาจคุณภรศีรัตนตรยัยจงมาอภิบาลรักษาให้ท่านผู้ศึกษา พ, พุทธประวัติและผู้ใคร่ในธรรมะทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญจะคิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สำเร็จความประสงค์จงนงหมายทุกท่าน ทกานและขอจะเจริญด้วยวันอายุวันละสุ ข, ขพะพระปฏิพานธนสารสมบัติโดยทั่วกันทุกท่านขอจเจริญพร